มีพระพุทธภ า, าศิตบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าสันตุถิประมังทะนังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐข้อนี้นะให้พากันจำเอาไว้ให้ดีเป็นคุณธรรมที่เราทุกคน ผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจะต้องปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้คำว่ามักน้อยกับสันโดษเป็นคู่กันดังนั้นมักน้อยในหมายความว่าเราต้องการให้กิเลสนี่มันน้อยเบาบางลงไปเหตุจางนั้น ก็จึงต้องถือสันตุถีในปัจจัยเครื่องอาศัยมันเป็นคู่กันอย่างนี้ถ้ า, าว่าเราไม่ถือสันตุถีแล้วมันก็มักน้อยไม่ได้เลยบางทีเมื่อมันขาดแคลนมามันมีแต่น้อยอย่างนี้นะนก็เกิดเดือดร้อนใจขึ้นมานี่ ถ้าเป็นผู้ฝึ ก, ก จ, จิตใจเป็นผู้มักน้อยอยู่เป็นนิสัยปัจจัยอยู่แล้วอย่างนี้เวลาปัจจัยเครื่องอาศัยมันขาดแคลนลงมันมีน้อยลงก็ไม่ต้องเดือดร้อนอืมก็ต้องทําใจได้นี่นะการฝึกใจของตนให้เป็นผู้มักน้อยนะท่านเพียอย่างนั้นได้เข้าใจมันโกงกันข้ามกับคําว่ามากักมาก เขาบอกมากๆนั่นไม่รู้จักประมาณ น, นี่ในการใช้การจ่ายในวัตถุปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆนี่มีน้อยถวาจ่ายมากอย่างนี้นะใช้มากอย่างนี้น ะ, ะมันก็เดือดร้อนที่วันนี้เวลามันเป็นอย่างนั้นนะนั่นแนหะ ทันมีมากนี่เราก็รู้จักพอดีรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายพริพอดีไม่ให้ไม่ให้พุ่มพุ่มเผืินนักและก็ไม่ให้ผืดเคืองนักพราก็ทธเจ้าแสดงไว้ในขีปฏิบัตินี่นเนี่ยว่าผูดไง่ายๆว่าดำเนินทางมัชฌิ ม, มาปฏิปทาทางสายกลางออนี่ ก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะเรื่องปัจจัยสี่นี้ทั้งนั้นแหละที่ทรงสั่งสอนให้รู้จักประมาณนะในการบริโภคปัจจัยสี่ทั้งคารพหัดทั้งนักบวชไอทําข้อนี้ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยอ่เป็นอย่างนั้นคารพหัสถ้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารตัวมีเงินน้อยกนอยากกินอาหารดีด แล้วก็ไปซื้ออาหารแพงๆมากินหน่อยหนึหน่งเงินก็หมดก็เดือดร้อนอย่างนี้แหละอยากได้เห็นเขานุ่งผ้านุ่งผ้าห่มดีๆราคาแพงๆไวอยากนุ่งก็เขาตัวมีเงินน้อยไปซื้อของไปแพงมาใช่ละเงินก็หมดครอบครัวก็เดือดร้อนยกตัวอย่างให้ฟังแม่ปัจจัยอื่นๆก็เหมือนกันนะ่ะ ถ้าคนไม่รู้จักประมาณตนแล้วครองเลือนไปก็ไม่เจริญรุ่งเรืองผู้ที่เขาเจริญรุ่งเรืองตั้งเนื้อตั้งตัวได้อยู่นั้นร้วแต่เขาปฏิบัติตามธรรมะสองข้อนี่แหละคือเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยนี่แล้วก็เป็นผู้สันโดษยินดี ในคู่หัวคู่เมียโดยเฉพาะไม่ยินดีเพลิดเพลินไปในหญิงอื่นชายอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถือสันตุถีในเรื่องผัวเรื่องเมียนี่ต้องให้เข้าใจเพราะพุทเเจ้าสอนในหมดแหละเรื่องหมู่นี้นะถ้าคนไม่ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้แล้ว แม้จะปฏิบัติทำให้ขั้นสูงขึ้นไปมันไปไม่ได้อย่างเช่นว่าเป็นนักบวชอย่างนี้นะถ้าจนได้อาหารไม่ถูกปากถูกคออย่างนี้หรือว่าได้อาหารน้อยอย่างนี้เป็นนั่งภาวนากบิตกวิจาร์ถึงแต่อาหารอยู่นั้นว่าหิวอาหารวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้ อาหารน้อยอาหารไม่เพียงพออะไรอย่างงี้นะเมื่อไปวิตกวิจารณ์อยู่เนี่ยที่ไหนละจิตมันจะรวมเป็นสมาธิลงได้เป็นไปไม่ได้อย่างงั้นแม้ปัจจัยอื่นๆก็เหมือนกันแลยถ้าว่าจิตไปผูกพันเมื่อตอนไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการก็ไปวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนั้นอย่างงีนะ้แล้วสมาธิมันจะเป็นไปได้อย่างไงเล่า นี่ต้องให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ก่อนที่จะบริโภคปัจจัยทั้งสีเนี่ยพิจารณาให้เห็นลงเป็นสภาวาธาตุลงไปนู่นนี่สัตโตมิใช่สัตวนิชีโวมิใช่ชีวุตวิทศูนโยเป็นของว่างเปล่าคือว่างจากสัตวจากบุคคล แต่อย่างนี้เราต้องพิจารณาต้องปฏิบัติตามถ้าผูใ้ใดปฏิบัติตามอยู่ทุกครั้งเวลาขบเวลาชันอาหารอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาเพราะการบริโภคอาหารนั้นเรียกว่าบริโภคอาหารเป็นธรรมะไปบุญีเดีพิจารณาไป ให้กว้งของโ อ, อไปมันยิ่งเห็นชัดลงไปว่าอาหารนี่นะมันเป็นของสกรปรกและแต่อยู่ภายนอกคุเวลารับประทานเข้าไปถึงไปในกระเพาะลาไส้เข้าไปแล้วมันก็ไปเน่าออไปบูดอยู่ในกระเพาะลาไส้เพราะฉะนั้นเวลาถ่ายออกไปมันจึงมีกลิ่นเหม็นออกไป ส่วนใดที่มันย่อยออกไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆอย่างนี้มันก็หมดอายุของมันแล้วมันก็ออกไปเป็นเหงือเพนไข่ออกเป็นน้ำมูกน้ำลายน้ำปัสสาวะไปอะไรออกไปอย่างนี้นะนี่เหงือใไขเนะี่ยลองดูสิมันมีกลิ่นหอมหรือเหม็นนะนั่น ถ้ามันถูกผ้าผ่อนเข้าไปไม่สักไปในสองสามวันแล้วก็นุ่งห่มไว้ได้ซ้าเลยนี่แหละมันมันไม่เช่มีของสะอาดอะไรเรื่องอาหารการบริโภคต่างๆหมนี่นะพิจารณาให้มันถึงความจริงเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงความจริงอย่างนี้ความหิวโหยหรือความมากๆในอาหารอะไรต่างๆมันก็ระ ง, งับลงไป มันก็รู้จักประมาณเนี่ยนั่นแหละรู้จักประมาณในท้องในปากของตัวเองก็ดำเนินไปได้ถ้าเป็นผู้คล้องเลือนอย่างนี้อยู่ด้วยกันในครอบครัวตัวเรือนหลายคนอย่างนี้มันก็ไม่สิ้นเปลืองมากคนปฏิบัติตามธรรมะสองข้อนี้นะอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นภาระหนักเกินไป แต่ถ้าว่าไม่รู้จักประมาณเป็นผู้มักมากเป็นผู้ไม่สันโดษกินดีถ้ามีตามได้ละเดียวมันก็เดือดร้อนกันไปแล้วบันนี้เดียวก็ไปทําผิดศีลผิดธรรมไปไปลักไปโล่อ ไ, ไปช่อกไปโกงเข้ามาอเลี้ยงชีวิตแหล้วันนี้มันก็ไปอย่างนั้นแหละเกิดเพราะฉะนั้นยังมาทำมะคำถสองกับพุทธเจ้านี่นะ ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายในพิจารณาเห็นอย่างว่านี่จึงได้เทิดทูลด้วยเหนือเสียนเกล้ายินดีปฏิบัติตามพอเมื่อปฏิบัติตามแล้วมันทําให้กิเลสตัณหาในหัวใจ น, น้อยเบาบางลงไปคนเราเนี่ยเมื่อตัณหามันน้อยเบาวางลงเท่าไหร่มันก็มีความสุขสบายใจไปเท่านั้นเบากายเบาใจไปเลย ไอ้ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายหนักกายหนักใจอยู่นี่ก็เพราะสะสมความอยากคือตัณหานี่ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่เองเนี่ยอ่มันเป็นอย่างนั้นมันถึงไม่ได้เบาใจอ่ะเหตนั้นเหตุฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่พระองค์เจ้าจึงว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ หมายความว่าเป็นทรัพย์ภายในคือความยินดีนี่นะตามีตามได้นี่นะเป็นคุณธรรมประจำใจของคุณนั้นทำให้กิเลสตัณหามันเบาบางออกไปจากกิจใจจึงชื่อว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเข้าของเป็นตน้นเหล่านี้เพราะว่าเงินทองเข้าของนี่ มันก็อำนวยความสะดวกให้แต่ในชีวิตนี้เท่านั้นเองเนี่ยอาเมื่อบุคคลรู้จักใจรู้จักใจทีนี้คุณธรรมที่ว่านี่นะกวมมกน้อยสันโดษนี่ผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วเช่นนี้นะมันก็จะทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจส่วนหนึ่ง แลีวเมื่อกิเลสตัณหาส่วนย่มยบมันเบาบางออกไปมันยังเหลือส่วนกลางส่วนละเอียดอย่างนี้เราบำเพ็ญภาวนามันก็ไม่ลำบากเท่าไรบ่บบนี้การเจริญกรรมฐานน้อมจิตลงสู่ความสงบระ ง, งับมันก็เป็นไปได้ง่ายอืมมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจมันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะ ถ้าอุปมาอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนอย่างพ่อครัวแม่ครัวผู้ฉลาดปรุงอาหารเอาอันนั้นมาใส่บางเอาอันนี้เข้าใส่อันนี้ควรจะใส่มากเท่า น, นั้นอันนี้ควรจะใส่น้อยเท่านี้ผู้ฉลาดนะเมื่อเอาเครื่องครัวต่างๆมารวมกันเข้าทําแกงสักหม้อหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อทําลงไปแล้ว ชิมดูมันก็มีรสอร่อยแหละพกอคัวแม่ครผู้ฉลาดออถ้าผู้ไม่ฉลาดแล้วอย่างนี้เอา้าไปเอาเกลือใส่มากเกินไปอย่างนี้รือว่าน้าปลาใส่มากเกินไปมันก็เค็มเกินส่วนอย่างนี้ออ ม, มันก็รับประทานไม่ได้แล้วมันเค็มมากอย่างนี้นะถ้าไปเอาพริกใส่มากอย่างนี้มันก็เผ็ดเกินไป มันก็รับประทานไม่อร่อยอือย่างนี้แหละอันใดอันใดนี่มันต้องอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดต้องปรับปรุงให้พอดีพอดีพอดีกันเช่นนี้นะมันมันถึงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญได้นี่เปรียบภายนอกเปรียบเหมือนกันปรุงอาหารสู่ฟังอันนี้ชั้นใดเหมือนกันเนี่ย เราปรับปรุงธรรมะไ้เข้ากับจิตใจของเราอย่างนี้นะก็ต้องให้เหมือนพ่อครัวแม่ครัวผู้ฉราดปรุงอาหารนั่นแหละอ้อาวใจของเรามาขาดธรรมะอันนี้นะอย่างงี้เราก็สร้างธรรมะอันนั้นให้เกิดมีในใจให้ได้อย่างนี้นะอย่างว่าที่ว่ามาแล้วถ้ามันขาดความเป็นผู้มักน้อย ใจนี่มันยังมากมากอยู่อย่างนี้นะเราก็พยายามสร้างความมาักน้อยให้เกิดมีในใจขึ้นสร้างยังไงก็สอนใจตัวเองนะความมากมากแล้วมันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษให้พวกเป็นโจรเป็นขโมยพวกพวกพิทุจริตต่างๆนั้นนาเบียดเบียนพวกอื่นอยู่วานนั้นล้วนแต่เป็นคนมากมากทั้งนั้นไม่รู้จักประมาณตนไม่รู้จักฐานะของตน นี่นะกัดสอนตนเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็มันก็มักน้อยลงไปในตัวแล้ววันนี้อมันเป็นอย่างนั้นเราต้องมีอุบายเนี่ยการอบรมธรรมะให้เกิดมีขึ้นในใจนี่อต้องมีอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปในแนวนั้นแหละอย่างเช่นว่าเรื่องมักน้อยเราก็หาอุบายเรื่องมักน้อยเรามาสอน เนื่องสันติถีถือตามีตามได้อย่างนี้นะธรรมดาคนผู้ที่ไม่มีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในใจเมื่อไปเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยกลัวตนเขามีฐานะดีกลัวตนเขาใช้จ่ายอะไรก็คุ่มเฟ้อยอย่างนี้ตนเองก็เอาน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาอย่างนี้ เอเรานี่นะทำไมยังไม่มีอย่างเขาอะไรวิตกวิจาร์ไปทั่ว อ, อย่างนี้นะบะ น, นี่มันก็เกิดตัณหาขึ้นมาในที่บะ น, นี้เกิดความมากๆขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าผู้มีอุบายนะมันก็ต้องสอนตัวเองว่านี่คนเราเกิดมาในโลกมีกรรมเป็นของทนเอนผู้ใดทำกรรมอันใดกดได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น ผู้ใดทำบุญกุศลมากกูนั่นก็มีความเจริญรุง่งเรืองด้วยลาภยศสนเสริญมากผู้ใดทำบุญกุศลมาแต่ก่อนน้อยบุญกุศลมันก็มาอำนวยความสุขให้แต่น้อย เ, อเหมือนอย่างเรานี่แหละเราที่มีความสุขแต่น้อยนี่เข้าใจว่าแต่าชาติก่อนเราก็คงทำบุญกุศลทำความดีมาน้อยเหตุนั้นนะบุญนั้นจึงได้มาอานวยผลให้เรามีความสุขแต่น้อยได้อะไรก็ได้มาน้อย ไม่ได้มากได้อาหารการบริโภค ก, ก็ได้น้อยได้ผ้าหนุ่งผ้าหมก็ได้น้อยได้ที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้โอโถงหรูหราเหมือนเขาเพราะตนมีเงินน้อยอย่างนี้แหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเงินทองก็มีน้อยไปซื้อยูยามาก็ได้แต่เล็กแต่น้อยนี่ก็แสดงว่าบุญมันน้อยนะ บุญน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปทะเยอะทะยานอยากแกให้มันเจริญรุ่งเรืองเหมือนเขาผู้มีบุญมากจะไปได้มาแต่ที่ไหนเมื่อผู้ใดมีอบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะมันก็รู้สึกตัวได้เออจริงจริงเพราะฉะนั้นคนเราเกิดในโลกนี้จึงมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่ต้องทะเยอะทะยาน แล้วก็แสวงหาทรัพย์สมบัติ เ, เงินทองเข้าของให้เต็มความสามารถของเราได้เท่าไรแล้วก็จะยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นแหละถ้าว่าพูดถึงความเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ดีนักบวชก็ต้องเป็นผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเช่นเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าคนละอย่างกันนะอืนักบวชแต่ข้างพรธเจ้า บางท่านบางองค์ก็มีบุญน้อยวาสนาน้อยแต่แต่ท่านก็มีบุญมากแต่ว่ามันมีกรรมบางอย่างมาปิดฟองไว้เช่นอย่างในเรื่องของลูกศิษย์ท่านภาษาริบุตรองค์หนึ่งนั่นเนี่ยไปบินธบากระหมู่นี่เอาถ้าท่านเดินตามหลังหมู่ ล, ลังท้ายหมู่คนเขาใส่มาใส่บาทมาใส่มาําเพาจะไปถึงท่านหมดซะแล้ว วันนี้พระทั้งหลายเอาทางนั้นให้ท่านเดินทางตรงกลางวันนี้ก็วันต่อไปนะให้เดินตรงกลาง เ, าเดินไปแล้วเขาใส่บาตรมาใส่มาไม่ทราบมันยังไงมันมองไม่เห็นพระองค์แล้วข้ามไปใส่องค์ต่อไปนู่นอกลับไปวัดเพื่อนต้องได้แบ่งเข้าแบ่งอาหารใส่บาตรให้ฉันนั่นยังไม่แล้วนะ พอ น, นั่งฉันไปฉันมาเกิดมีอันเป็นไปอะไรมากระทบกระทั่งบาดคว่ําลงไปพราคนพระแต่ก่อนนั้นส่วนมากคนฉันในบาดนี่นเรื่องเหมือนนะเอาควําลงไปไม่ได้ฉันซ้าอย่างนี้อันนี้พ อ, อถึงวันที่ท่านจะได้บรรลุมรคนอรหัตตะผลนี่บินตะบานมาแล้วไม่ได้อาหารเพื่อนพุง ก็แบ่งอาหารใส่บาตให้แล้ววันนี้อุปชาไปจับบาตรไว้ให้เอาให้คุณตั้งใจฉันพิจารณาให้มันละเอียดถี่ทวนลงไปปรงลงไปเราเป็นผู้มีบุญมีกรรมมีเวรอย่างนี้อย่างหนึ่งแหละที่ทำมาตกขอนมันถึงได้เป็นอย่างนี้ให้เกิดความสังเวชเบื่อหน่ายต่อสังขารอันกรรมตกแต่งนี้แล้วปรองลง อย่าได้ถือว่าเป็นเราเป็นเขาวันนี้ท่านองคตฉันไปพิจารณาตามไปพอในที่สุดท่านก็เลยสำเร็จอรหรันก็ฉันอิ่มพอดีเมื่อสำเร็จอรหรนะันน่ะท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านก่อนนิพพานในวันนั้ น, น, นเลย อ, อันนี้อย่าว่ามันมันมีทั้งกรรมมีทั้งบุญทั้งกรรมเวรคนเราเกิดมาในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะ <c oughs> แม่นิสัยอรหั ต, ตผลมีถึงปรานนั้นนะกัมเณมันยังตามสนองไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิ ต, ตรัวนอคิดดูก็แล้วกันเนี่ยนีอ่อุเรื่องนี้เนะี่ยเป็นอุทาหรณ์ถือเอาใจความว่าถ้าผูใ้ใดไม่ต้องการอยากเป็นเช่นนั้นอยากมีชีวิตเป็นอยู่เป็นสุขราบรื่นไป เช่นนี้แล้วก็ให้พยายามละกรรมอันชั่วด้วยกาย้วยวาจาโดยใจเราศึกษารู้แล้วว่าทำอย่างนี้มันชั่วมันเป็นบาปเป็นโทษพูดอย่างนี้เป็นบาปเป็นโทษคิดอย่างนี้เป็นทางที่ผิดไม่ถูกเช่นนี้แล้วก็ละกรรมอันชั่วเหล่านั้นไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปอย่างนั้นต่อไปนี่พยายามไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะ แล้วกรรมชั่วทั้งหลายมันก็เบาไปมันก็กรรมชั่วที่ใจมันสร้างออกมาแต่ก่อนมันก็เบาบางลงเพราะจิตไม่ส่งเสริมแล้วกรรมชั่วใหม่มันก็ไม่มีเพราะเราไม่ไม่ได้สร้างขึ้นมานี่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วถ้าหากว่าบุญบา ร, รมียังไม่เต็มก็ยังสําเร็จมรรคผลที่พาไม่ได้ในชาตินั้นก็ต้องสร้างบุญกุศลทําความดีเรื่อยไป ในขณะเดียวกันก็กีดกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจยอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้บุญบรารมีมันก็แกกล้าขึ้นไปเรื่อยๆไปออมันก็ไม่ไม่หยุดยั้งอยู่ของเก่าแล้ววันนีออ้มันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ผู้เช่นนั้นนะเกิดไปชาติใดมันก็ไม่ค่อยมีกรรมมีเวรไปสนอง ไม่ค่อยเป็นทุกข์เดือดร้อนพ่อกรรมพ่อเวรที่นี้พอบุญบา ร, รมีมันเต็มเหมือนอย่างาาพระสาวกบางองค์ในข้างพุทธเจ้านั่นน่ะตั้งแต่เกิดมาแล้วได้ออกบวชจนดับขันนิพพานไม่เคยฉันหยุกจันยาแม้แต่สมอลูกหนึ่งก็ไม่ได้ฉันเลยอย่างนี้มีเนี่ยพเพราะแต่ก่อนท่านไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนใครแต่แล้วท่านก็ให้ยาเป็นทาน แต่เขาเป็นพื้นสีได้พบพระพุทธเจ้าอาพาธก็ได้ปรุงยาถวายพระพุทธเจ้าให้ฉันแล้วอาพาธนั้นก็หายไปอา น, นิสงส์อ น, นันว่างั้นอํานวยติดสอยห้อยตามท่านเกิดมาในชาติใดก็เป็นคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาจนถึงได้มาเกิดในชาติสุดท้ายได้ออกบวช แต่ท่านก็มีกรรมอันหนึ่งแต่ท่านไม่ได้กล่าวไว้ไอ้กรรมชั่วที่ท่านทํามานั้นคือท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีวันนี้แม่เลี้ยงนะ่ะพาลงไปอาบน้ำํำอันแต่ก่อนก็อย่างว่ามันไม่ใช่มีน้ําปะปาไม่ใช่มีน้ําก๊อกอะไรเหมือนสมัยนี้ลงไปอาบน้ําตามคลองตามห้วยน้ําทีนี้ก็ไอ้เด็ก ยังนอนแบอยู่บนบอกก็ยังว่าเอาลงไปน้ำาไปก็เอาไปวางไว้ริมน้ำแล้วคูปแม่เลี้ยงก็ลงไปอาบน้ำเล่นน้ำพอที่นี่น้ำมันก็เพิ่มมาปลาใหญ่ตัวหนึ่งมันโผล่ขึ้นมามาเห็นเด็กนั้นก็เข้าใจเป็นอาหารมันก็มันก็คาบเอาเด็กตัวนั้นกลืนเข้าไปในท้องเลยเด็กนั้น ก็ไม่ได้ถูกควันปลาแทะเอาแต่อย่างใดเหมนปลาปลาใหญ่ถ้ามันอมแล้วมันก็กลืนเข้าไปในท้องก็ไปนอนอยู่ในกระเพาะของปลานู่นต่อมาปลาไปติดอวนเขาสิวะ น, นี้นะติดอวนเขาเขาก็เอาขึ้นมาเห็นว่าท้องมันโตวั น, นี่ก็สงสัย <c oughs> สงสัยวะ น, นี้ก็ทาแลลดูวะ น, นี้ ชํ้แหลดูก็เห็นเด็กอยู่ในท้องปลานั้นยังไม่ตายเออปลาตัวนั้นเอาไปขายเศรษฐีเศรษฐีก็ให้คนชํ้ชแหลกก็ชํ้แหลกเห็นเด็กอยู่ในท้องปลานั้นเศรษฐีก็เลยรับเอาไปเลี้ยงไว้บัดนี้ภายหลังมาพ่อแม่ของเด็กนั่นก็เสาะแสวงหาลูกของตัวว่าหายไปไหน มันก็มีผู้มาแจ้งข่าวให้ทราบดังที่เรื่องราวกับพูดมาแล้วนั่นแหละพ่อแม่ของเด็กกุมารที่ที่แท้จริงนี่ก็เลยไปไปขอคืนนะพ่อแม่ที่รับเลี้ยงไวน้นก็ไม่ยอมให้คืนนะไม่ยอมก็สมัยแต่ก่อนนั้นก็มีพระราชาเลยในเมืองเป็นผู้ตัดสินะพระราชาอยู่เหนือกฎหมายอะ่ะ ก็พากันไปเฝ้าพระราชาไปทูลเรื่องราวเหล่านะี้พระราชาฟังพระราชาพินผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี่พระเจ้าวิมพิสาร น, นะเป็นพระโสดาบันนะพระองค์ก็ตัดสินให้ให้เป็นลูกของตระกูลวันนี้นะอันนี้เอาเจ็ดวันให้ตระกูลนี้เอาไปเลี้ยงเสร็จแล้วเจ็ดวันนี้ตระกูลหนึ่งเอาไปเลี้ยงจนว่ากุมานั้นเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมา ท่านก็มีบุญวาดธนาบรมีที่ได้สร้างมาแต่ก่อนจนเต็มแล้วอย่างว่านั่นแหละพออายุได้เจ็ดขวบเท่านั้น่ะก็ขอลามารดาบิดาทั้งสองตระกูลออกบวชเลยมารดาบิดาก็ไม่ห่วงอนุญาตให้ไปบวชได้ออพอบวชแล้วท่านบําเพ็ญไปไม่นานก็สําเร็จอรหันเลยได้นามว่าพระพากุแลแปลว่าพระผู้เออ สองตระกูลเป็นลูกสองตระกูลอันนี้ตั้งแต่ท่านเกิดมาแล้วก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยท่านก็มีชีวิตยอยู่ไปอายุยืนตั้งร้อยี่สิบปีตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อละเมื่อเวลาท่านจะปร น, นิพันท่านก่อนั่งนิพพานเลย โดยที่ไม่ได้เกิบไม่ได้ไข่อะไรเลยอันนี้แหละนี่หมายความว่าท่านผู้สร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารท่านไม่ทำบาปท่านเว้นจากบาปกรรมห้าอย่างนั้นเสียแล้วอย่างนี้นะกรรมเวรทั้งหลายก็เลยไม่ได้ติดสอยห้อยตามท่านเกิดไปชาติใดพบใดก็มีชีวิตเป็นอยู่ราบรื่นก็ได้สร้างบุญสร้างกุศล ทมความดีเรื่อยมาทุกชาติทุกรบมาจนบุญบา ร, รมีของท่านเต็มบริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ที่ท่านได้เข้าไปอยู่ในท้องปลาเนี่ยก็คงจะมีกรรมนึงแต่ว่าในตำราท่านไม่ได้กล่าวไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไร <c oughs> อันนี้เลยให้พากันเข้าใจ วิถีชีวิตของคนเรานี่มันเป็นไปด้วยอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่และบุคคลกระทําอย่าไปพิจารณาธรรมะอย่างอื่นให้มากเกินกว่านี้ไปเลยขอให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่แล้วโอ้ยดีหลายนะอแต่ต้องรู้แจ้งด้วยปัญญานะนั่นไงเมื่อรู้แจ้งกรรมชั่ว ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วนี่มันก็ลากกำชั่วได้เด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะเมื่อรู้แจ้งในความดีในบุญในกุศลโดยแจมแจ้งโดยปัญญาแล้วมันก็สามารถทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วการทำความดีก็ไม่มีถอยสำหรับคนผู้มีปัญญานะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่า ปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนอรชนทั้งหลายอย่างนี้หมายความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเมื่ออบรมจิตใจให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วอย่างนี้เมื่อ น, นึกอยากได้อะไรนะมันก็ได้ตามประสงค์เลยเพราะผู้มีปัญญาอย่างยอดเยี่ยมแล้วนะ มันเป็นอย่างนั้นมันหาเอาะไรมันสอดส่องมันต้องมองเห็นเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายก็ทำอาสวะ <c oughs> ก็ทาอาสวะกิเลสให้หมดขึ้นไปได้ก็เพราะปัญญานี่เองเนะขอให้พากันเข้าใจ ก็อาศัยปัญญาที่เราบำเพ็ญไปตั้งแต่เบื้องต้นดังที่กล่าวมาได้นเลยพิริชัยตัวเองให้มันออกว่าตนเองมีความชั่วอะไรอยู่ในใจนี่อย่างนี้นะแล้วก็พยายามละความชั่วนั้นออกไปเรื่อยๆก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วความชั่วมันเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ยามยาก อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดนี่นะอย่างหยาบเ้วก็ความโลภความโกรธความหลงมันพาให้ไปทำบาปทำกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นอย่างที่เคยแสดงมาบ่อยๆนั่นแหละทีนี้เมื่อเราเห็นโทษแทงกิเลสอย่างหยาบอย่างว่านั้นมันละได้แล้วอย่างนี้ก็ยังกิเลสอย่างกลางยังกิเลสอย่างกลางก็คือความรัก ความชังความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจแต่ก็ไม่ถึงกับว่าได้ลงมือประหัดประหารผู้ใดเพียงแต่ว่ามันยึดอารมณ์อันแห่งความโกรธไว้ในใจเฉยๆหรือความรักก็เหมือนกันเพียงแต่มันยึดอารมณ์แห่งความรักไว้ในใจแต่มันไม่แสดงความรักนั้นออกทางกายทางวาจาฮะอย่างงี้นะแล้ว <c oughs> ความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆพวกนี้นะมันล้วนแต่เป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้จิตใจบรรลุถ้าถ้ายังไม่ถึงเวลานอนอย่างนี้เราจะต้องไม่นอนอี่ย ง, ง่วงอะไรเราก็หาทางแก้ไขเอาจนมันหายง่วงนี่มันต้องปฏิบัติอย่างนี้ทำยังไงล้างหน้าล้างตาเ อ, อ้านั่งมันง่วงกดเดินอย่างนี้แหละ เอเดินไปบ้างแล้วก็ดูหนังสือไปบ้างหรือว่าพิจารณาธรรมะอันใดที่มันถูกกับจเรตติดใส่ของตนนึกถึงธรรมะอันนั้นมาพิจารณาเข้าไปเมื่อจิตใจมันทราบซึ้งในธรรมะอันนั้นแล้วมันเบิกบานกันแล้วความง่วงมันก็หายนี่อุบายแล้วครับความง่วงนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละ อุบายอันหนึ่งท่านแนะนําว่าต้องไปยืนอยู่ที่อากาศปลอดโปร่งแล้วเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้ามองดูดวงดาวดวงพระจันทร์อะไรดังนั้นนี่อืแล้วจิตใจมันก็จะค่อยเบิกบานปลอดโป่งขึ้นมานี่ถ้ากว่าพยายามยังไงยังไงมันก็ไม่ไหวจริงๆอย่างนี้แล้วก่นอนลงไปตะแคงข้างขวา แล้วอธิษฐานในใจว่าเราจะนอนนี่เพื่อพักผ่อนร่างกายช่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่เรายินดีในการนอนนี่ตลอดไปเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเราจะลุกขึ้นทำความเพียรชำระใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสทำใจที่พุ่งซ่านให้ส ง, งบเราจะฝึกอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น อธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วก็จึงค่อยกำหนดใจไว้อย่าให้มันคิดพุ่งสั้นไปทางอื่นจนกลัวมันจะหลับล ง, งนี่นะอย่าถ้าความสงสัยลังเลอะไรเกิดขึ้นในใจก็ต้องพิจารณาแก้ไขมันนึกถึงตำรับตำราที่ได้ดูได้อ่านมาได้เรียนมาหรือว่านึกถึงคำสอนที่ได้ฟังมา ถ่านึกถึงคำสอนแล้วก็ยังแก้ไขความสงสัยอันนั้นไม่ได้ก็จำไว้แล้วก็ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายต่อไปในโอกาสต่อไปนี่วิธีระ ง, งับกิเลสอย่างกลางนี่เราก็ต้องให้รู้อืมแต่ต้องรู้ว่ากิเลสเหล่านี้น่ะถ้าหากว่าเราไม่เพียรละมันน่ะมันก็จะเป็นอุปสรรค ต่อการสั่งสมบุญกุศลจะไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ไมัินจะเจริญไปได้ยังไงคนเราถ้าไปเห็นแก่รับแกนอนแล้วยางงี้นะพอทำการทางานเลไไปได้นอ น, นก็ห้านอนขึ้นไปเราอยากนอนแล้วนี่ก็ใจก็อ่อนกายก็อ่อนเพลียลงก็ทำงานไม่ได้เลยแ ม, ม, ม้จะไหวพระสวดมนต์ก็ไหวไม่ได้อย่างนี้แหละ หรือว่าทําการงานอย่างอื่นถ้าไปเห็นแก่รับแกนอนเป็นนิสัยแล้วก็ทําไปไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นเหตุ น, นั้นท่านจึงว่ากิเลสเหล่านี้นะเป็นเครื่องกั้นกลางไม่ให้จิตใจก้าวหน้าไปได้เลยหมายความว่ากิเลสเหล่านี้นะปิดปิดบงังปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นในใจิตใจว่าตรงๆนะเอย่างนี้แหละ ให้พากันเข้าใจคนเราที่ไม่มีปัญญาอยู่นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะปล่อยให้กิเลสอย่างกลางนี่มันครอบงาจิตใจอยู่เช่นนี้แล้วปัญญาย่อมเกิดไม่ได้ เ, ออเมื่อปัญญาเกิดไม่ได้แล้วจิตใจนี่มันก็อ่อนแอแล้วมันไม่เข้มแข็งมออีแต่สมาธิอย่างเดียวสมาธิมันก็เป็นของไม่แน่นอนนะ เมื่อเวลามีอารมณ์อะไรอันหนึ่งกระทบกระทั่งเข้ามาสมาธิกถอนเนี่ยไอสมาธิที่ปราศจากปัญญาอบรมนะเป็นสมาธิคือว่าทำใจสงบอยู่เฉยๆไม่ได้มีอุบายปัญญาอะไรสอนจิตสอนใจให้รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงในสังขารทั้งหลายอย่างนี้นะนี่แหละ แม้บอกผู้นั้นจะทำใจสงบอยู่ได้นานก็ช่างนะถ้าไม่เจริญปัญญาแล้วหากว่ามีเรื่องไม่ดีอะไรต้ออะไรกระทกระท่างมาเนี่ยมันสมาธิแตกแล้วจิตใจพุ่งไปตามเรื่องนั้นแล้วเรื่องที่ควรจะให้เกิดความรักก็หลงรักหลงไข่ไปแล้วนี่เรื่องที่ให้เกิดความโกรกก็โกรธฉุนเสียวไปอย่างนี้นะ เรื่องที่จะให้เกิดความหลงความเมาก็หลงไปเมาไปเชื่อไปในทางผิดๆไปอย่างนี้หมูนีอย่าไปเข้าใจว่าไอาการที่ทำใจสงบอยู่เฉยๆนี่มันจะมันกิเลสมันจะเบาบางมันจะหมดไม่ใช่นะกิเลสมันโดยอาศัยอานาจแห่งสมาธิทับไว้เฉยๆมันไม่ได้ถอนออกจากจิตใจ ให้เข้าใจอย่างนั้นพอสมาธิถอนเท่า น, นั้นกิเลสมันก็นลุกขึ้นมาครอบงําจิตได้ทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ผู้ที่เข้าใจอย่างว่านี้แล้วเมื่อเมื่อสมาธิถอนขึ้นมากิเลสอะไดมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็พิจารณากิเลสอันนั้นเอากําหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นแจ้ง ให้มันเห็นโทษของกิเลสอันนั้นเข้าไปจนมันละกิเลสอันนั้นลงได้แล้ว น, นี่เมื่อมันละกิเลสนั้นลงได้ด้วยอุบายปัญญาเลยวะนี้จิตใจมันก็รวมลงได้อีกครั้งที่สองนี่บ่เนี่ยรวมลงได้พร้อมด้วยญาณความรู้ด้วยนะบ่เนี้่อมไม่ใช่รวมอยู่ธรรมดาบ่เนี้นะเพราะว่าปัญญามันเกิดแล้วนี่ อุบายต่าง ๆ, ๆมันเกิดขึ้นในจิตใจสอนใจให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วอย่างนี้เมื่อเมื่อใจกําหนดละกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นดับลงไปนี่นะจิตมันรวมลงว่านี้มันมันสงบแล้วก็รู้ตัวอยู่ว่าตนละกิเลสอันนั้นลงไปเสียแล้วก็รู้อย่างนี้นะ <c oughs> ต่อไปก็ทำใจอย่างนี้เลยไปเมื่อกิเลสอันไรเกิดขึ้นมากำหนดเอาเรื่องเหล่านั้นมาพิจารณาจนให้มันเห็นโทษเห็นภัยจนเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดความดับของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆเหล่านั้นอืมเราเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีโทมีตนอะไรกิเลสก็ดีนะ กิเลสแปลว่าอารมณ์ที่ทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวกระเท่านี่แหละคำว่ากิเลสนะเช่นอย่างว่าเมื่อนึกฉุนเฉียวให้ใครขึ้นมาโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวนั่นแหละทำใจให้ขุ่นมัวเข้ามาแล้วถ้าผู้ที่ไม่มีสมาธิไม่สังเกตก็นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นโทษ ข, ของมัน ถ้าผู้ที่เคยภาวนาทําใจสงบเคยมีสติควบคุมจิตอยู่แต่มันเผลอไปอย่างนี้พอกิเลสอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาันก็รู้ว่านี่เออนี่คือลักษณะแห่งความโกรธนี่มันก็รู้เมื่อมันรู้แล้วมันก็รู้ไปถึงว่ามันมีพิษมันไม่ดีอย่างไรอยมันก็รู้ชัดขึ้นด้วยปัญญาเช่นแล้วแล้วมันก็กําหนดละกันทันทีเลยไม่ทันให้มัน รวมกําลังกันแก่กล้าขึ้นต่อไปเมื่อเวลาตัวมันอ่อนๆอยู่นั่นเะนี่ยเรากาหนดละหรือทำลายมันก็ได้ง่ายอย่างนี้แหละเหมือนอย่างขแขนงไหมหรือว่าหน่อไหมอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในดินเนี่ยเพียงแต่เอาจอบเอาเสียมเอามีดบางๆไปฟันมันก็ขาด กระจูยกระจายไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าปล่อยให้มันต้นใหญ่ขึ้นเป็นต้นเป็นลำขึ้นใหญ่ขึ้นไปแล้วเราจะไปเอามีดบางๆไอ้หมูนั้นไปตัดไปฟันมันขาดไม่มีทางต้องสร้างเครื่องมือให้แข็งแรงออย่างนั้นไปตัดไปฟันมันลงมันถึงจะขาดลงไปได้นี่มันเป็นอย่างนั้นอันกีเลสนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเวลามันก่อตัวขึ้นทีแรก เราพยายามละมันทันทีเลยอย่างนี้มันก็ง่า ย, ยานี่มันก็ดับไปง่ายมันก็ไม่ทาใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมากเห็นเป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยให้จิตใจนี่มันปรุงแต่งกิเลสที่ น, นั่นให้มากขึ้นมากขึ้นแล้ววันนี้กิเลส้ ม, มันมีกำลังมากขึ้นแล้ว ไอ้ธาตุตนถ้ า, า ก, ก็ไม่มีความเพียรเข้มแข็งเข้าไปจริงๆขาดความอดความทนเข้าไปอขาดความเพียรเข้าไปแล้ววันนี้ละมันไม่ได้แล้วตกเป็นธาตุของมันวันนี้น่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเอก็รู้ตัวแล้วว่าตนยังละกิเลสไม่หมดดังนั้นจ ะ, จะมัวมอประมาทอยู่มันก็ไม่ได้แล้ว กิเลสมันก็ไม่ได้แห้งจากกิจใจเลยแค่นี้กิเลสไม่แห้งแล้วมันก็มีเแต่ทางาสะทมให้มันหนาแน่นขึ้นมันก็ก่อทุกข์ให้ทางในชาตินี้ชาติหน้าต่อไปไม่มีสิ้นสุดลงได้ต้องต้องพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองในเรื่องอย่างนี้นะถ้าผู้ใดไม่พิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่มีความประสงค์ที่จะละกิเลสเหล่านี้เลยมีแต่จะหล่อเลี้ยงมันไว ให้มันอ้วนพีขึ้นไปมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าความเป็นผู้มักน้อยอันนี้นะ่ะต้องให้มันมีอยู่ในใจคุณธรรมอันนี้นะ่ะอต้องสอนใจขจอ้ตนฝึกให้มันพึ่งผู้มักน้อยมักทําอย่างไรกิเลสนี่มันยังจะน้อยลงไปหนออย่างงี้นะเราดำหลีอยู่ในใจเสมอเสมอ ทำยังไงความโลภมันจะน้อยลงทำยังไงความโกรธมันจะน้อยลงทำยังไงความหลงมันจะน้อยลงเมื่อเราดำรีไปบ่อยนี่มันก็มองเห็นช่องทางนี่แหละแต่ถ้าเราไม่จับเอาต้นเหตุมันมาเพ่งพิจารณาสักพักแล้วมันไม่เห็นทางที่จะละมันได้นะให้เข้าใจ เหมือนอย่างว่าเหามันเกิดขึ้นในศีรษะของคนอย่างนี้นะเอ้ามันดูดกินเลือดอยู่ในหนังศีรษะนั่นคันเก้าปันใดมันก็ไม่เห็นไม่ได้ตัวเหาออกมาเลยอย่างนี้แหละวันนี้อาศัยคนอื่นเขาทำนานเขาช่วยหาตัวเหาให้ เอาหาไปหามาจนนั่นเห็นตัวเหาแล้วก็หยิบตัวเหาออกมาได้เหาตัวนั้นมันก็ไม่ได้ดูดเลือดต่อไปอีกอืก็อย่างนั้นเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยพอเมื่อเรารู้ว่ากิเลสอย่างนี้เนี่ยมันทําทุกข์ให้แกเรามานับชาตินับพบไม่ทวนแล้วอืมเอาเราจะต้องหาตัวมาให้พบอืมมันก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ใกล้ที่ไหนดอกอยู่ในจิตใจนั่นแหละ คือว่าพระพุทธเจ้าสอนในเพ่งใจนะให้สงบลงเมื่อเพ่งใจสงบลงไปออำนาจแห่งสมาธิน่ะมันไปมันไปทับเอากิเลสเหล่านั้นไม่ให้มันมีกําลังนะให้กิเลสเหล่านั้นมันนอนตัวลงไปมันอ่อนกําลังลงแล้ววัานี้เมื่อเวลาจิตถอนออกจากสมาธิมา กิเลสอันใดที่มันมีกําลังกลัวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็กําหนดกิเลสอนั้นพิจารณามันวะนี่นะเนี่ยนั่นแหละพิจารณามันอย่าไปกลัวอย่าไปท้อถอยความรักมันโผล่ขึ้นมาเอ้ากําหนดพิจารณาเรื่องความรักอออย่างเนี้เราก็กําหนดใจให้มั่นไว้ภายในแล้วก็พิจารณาความรักอันนั้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลเร่องความรักอันนั้น ว่าสรุปลงให้ได้ว่าความรักมันมีพิษอันร้ายแรงทำให้คนไปตกนรกอวบายภูมิกับเพราะความรักอย่างนี้แหละหรือว่าอยู่ในปัจจุบันนี่ทำให้คนเสียคนเป็นคนจระจัดหาที่พึ่งไม่ได้กับเพราะความรักเพราะความรักนี่มันไม่มันไม่ยืนตัวอยู่ได้รักสิ่งนี้รูปนี้ได้รูปนี้มาแล้วหน่อยนึงคดเบือ่อเมื่อนายไปเห็นรูปหน้าผ ชอบรูปอื่นต่อไปอีกพยายามให้ได้รูปนั้นมาพอได้รูปนั้นมาแล้วไปไปมาผัดเบื้ออีกไอคนเป็น่าตุแห่งความรักนะมันมีจิตใจเลื่อนลอยอยู่นี่เพราะฉะนั้นมันตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เลยถ้าเป็นผู้คลองเรือนก็ดีเลยเป็นคนโจรจัตเล่ล่อนพระนจรกลายเป็นโจรเป็นขโมย เ, เขาจับไปติดคุกติดตารางไป เพราะความรักที่เป็นมูลเหตุความรักนี่นะถึงกับถูกเขาฆ่าตายมีเยอะแยะเลยมันมีโทษทั้งปนนะพิจารณาลงไปมันเห็นอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วมันก็มันก็เบื่อที่นี่จะไม่เบื่ อ, อยังไงอ่ะมันมองไปไหนไม่มีคุณแม่แต่น้อยมีแต่ความมีแต่โทษนี่มันยังได้เบื่อหน่ายนะเนี่ยเอา้าความชังก็เหมือนกันอย่างนี้นะ เมื่อเราทำใจสงบระ ง, งับลงไปแล้วบานทีก็รู้รู้นิสยัยของตอนว่ามันเป็นโทสะจริตอย่างนี้นะเออเรานี่มันมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนะใครทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยหนึ่งมันฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างนี้กฎกำหนดเอาเรื่องความโกรธความฉุนเสียวออกมาพิจารณาแยกแยะมันให้มันละเอียดเล่ออลงไป ให้มันเห็นเหตุเห็นผลแห่งความโกรกความทุนเฉียวเหล่านั้นนะว่ามันสรุปแล้วเรียกว่าเหตุผลมันมีแต่เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละแล้วทีนี้พกเพ่งลงทางกรมัธรรมวันนี้อารมณ์แห่งความรักก็ดีความชังก็ดีล้วนแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน เมื่อเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วก็หายหลงหายเมาในความรักความชังนั้นอย่างงี้นะมันก็ไม่ได้สร้างความรักความชังให้เกิดในใจต่อไปอีกแล้วเพราะมันเห็นแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงและเป็นของไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่มีตัวมีตนอะไรเป็นได้เพียงสัญญาความจำหมายเฉยๆนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนะมันจะมีอะไรอยู่นั้น ไอ้ผู้ที่มัวเมาประมาทแล้วนะมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะอ่ามันจะยังไงยังไงก็ยอมเป็นท่าแห่งความรักความชังไปหมดเลยอ่ามันจะไปตกนรกกี่บ้องออกกี่ลุ้มก็ไปมันอะไรอะไรก็จอมไปหมดเลยนี่แหละที่คนเสียคนอยู่นี่ก็เพราะมันยอมพ่ายแพ้ต่ออํานาจกิเลสอันชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้นะ ไม่ว่าคารื้อหัดไม่ว่านักบวชเหมือนกันทั้งนั้นแหละผู้ใดรู้อำนาจของกิกกเลสเหล่านี้ยอมตกเป็นทาสของมันแล้วจะเป็นคนดีต่อไปไม่ได้เลยออไอคนที่เขาดีได้นั่นนะเพราะเขาไม่ยอมเป็นทาสของกิเลส ต, ต่างๆเหล่านี้ตั้งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ถึงแม้ว่าจะตกเป็นทาสของมันก็เรียกว่าเป็นทาสไอ กิเลสอย่างที่ว่าไม่ถึงกับว่าได้ไปทำบาปทำกรรมอันชั่วช้าลามกใส่ตัวเองเพราะกิเลสเหล่านั้นนี่เช่นอย่างว่าผู้ไม่ไม่ใช่นักบวชอย่างนี้น ะ, ะมันก็เป็นธรรมดาคิดจะครองเลือนอย่างนี้ก็แสวงหาคู่รักเมื่อได้มาด้วยความสุจริตแล้วอย่างนี้ แล้วก็ชักชวนกันกระทำคืองามความดีเข้าไปชักชวนกันสร้างบุญสร้างบารมีเข้าไปไม่ใช่จะไปมัวมอแต่ความรักความใคร่อยู่เท่านั้นอย่างเดียวพอพิจารณาเห็นว่าความรักความใคร่อะไรมันนี้เป็นของไม่เที่ยงรูปกายนี่ก็ไม่เที่ยงอยู่นานไปมันก็วิบัตรแริแปรพรวนไปในสุดสุดมันก็แตกดับเพราะฉะนั้นถึงว่าผู้ที่ยังเอาชนะ กิเลสเหล่านี้ยังไม่ได้ก็อาศัยกิเลสเหล่านี้เนี่ยสร้างบุญสร้างบา ร, รมีไปให้ทานรักษาศินให้บริสุทธิ์ไปอฟังธรรมะคําสอนพุทธเจ้าไปไหวพระภาวนาไปมันก็เป็นการเพิ่มพูนบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไปจนถึงได้บรรลุมรรคผลอยู่ครองเรือนก็มีอยู่ถมไปในครั้งพุทธเจ้า ในตำราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันที่ท่านได้ฟังเทศน์ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุโสดาบันแล้วไม่ได้ออกกวดมีอยู่เยอะแยะเลยหรือว่าฟังธรรมแล้วไปประพฤติธปฏิบัติตามเมื่ออินทรียบารมีมันเข้าขัน้นนั่นแล้วอย่างนี้ท่านก็ได้บรรลุมรรคผลขั้นต้นเข้าไปแล้วก็อยู่ครองเลือนไปอยู่ยนั่นเละแต่ว่าท่านยังไม่ทําบาปที่นนี้นั่นนี่ ท่านทําแต่ความดีทําแต่การงานที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นถ้าก็อยู่ครองเรือไปได้จนว่าตลอดหมดอายุสังขารเมื่อหมดอายุสังขรารล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนี่พระโสราบันส่วนมากนะได้เกิดสวรรค์ชั้นดุสิตแต่บางอย่างพวกก็เกิดสวรรค์ชั้นดาวริงก็มีออย่างนี้นี่ ถ้าว่าผู้ใดเชื่อพระปัญญาตัตรูของมุตยเจ้าแล้วมันก็น่าทำจริงๆน่าปฏิบัติตามนะเพราะว่ามองดูชีวิตนี่เราไม่เห็นว่ามันมีแก่นสารอะไรถ้าจะไปมัวเมาเพลิดเพลินแต่ในความรักความใคร่อยู่เท่านั้นแล้วไม่ทำความดีอะไรคนเราเมื่อไปทำความดีแล้วมันก็หมุนไปทำความชั่วแหละจิตใจนี่มันจะอยู่เฉยๆนะ่มันไม่ได้ดอกไม่ได้อืม แต่ถ้าเมื่อใจผูกพันอยู่กับบุญกุศลคุณงามความดีแล้วมันก็ไม่หมุนไปทางชั่วแต่ต้องทําความดีให้มันมากขึ้นนะถ้าทําเพียงเล็กๆน้อยๆมันก็สู้อํำนาจ ก, กิเลสไม่ได้มันก็อาจออชักจูงให้ไปทางชั่วได้อยู่มัน เ, เป็นอย่งั้นเหตุนั้นนะ่ะการทําความดีให้สูงก็คือการภาวนาการฝึ ก, กจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ นี่การที่เราฝึกสติสัมปชัญญะให้อยู่ใกล้ชิดกับจิตเสมออันนี้เราเรียกว่าทําความดีให้สูงขึ้นไปอย่าให้สติมันห่างจากจิตสัมปชัญญะทําความรู้กายรู้จิตอยู่เสมอเสมอออย่างนี้นะทําความรู้กายรู้จิตอยู่เสมอ รู้ว่าจิตของตนเป็นยังไงอยู่ปัจจุบันนี้นะรู้ว่าร่างกายนี่มันเป็นยังไงอะ่ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอืมันสุดโทมไปอยู่หรือมันมั่นคงอยู่เรื่อยมานี่ต้องมันกลววมันพิจารณาอยู่เรื่อยเรื่อยไม่ใช่ว่ารู้แล้วเลยไม่ไม่ใส่ใจเลยออถึงอะไรรูปร่างกายนี่ก็เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วจยิบไปพิจารณาให้ซ้ํำซากอะไรถ้าผคนใดคิดอย่างนี้แล้ว ปล่อยใจให้เพลินให้คิดส่งไปทางอื่นนั้นไม่ไม่ถูกทางแล้วนั่นแหละเป็นทางหลงอ่ะอหลงไปสู่ทุกข์แล้วอนี่เพราะนั้นท่านนึงว่าสอนให้มีสติสมัมปชัญญะในที่นี่นะก็หมายความว่าให้มีสติระลึกถึงกายถึงจิตเสมอให้มีสมัมปชัญญะวินิจฉัยกายจิตนี้ให้ได้ ว่าจิตนี่มันตั้งอยู่ยังไงเป็นปกติอยู่หรือว่ายินดียินร้ายไปกับสิ่งใดหรือเสียใจเศร้าโศกอยู่กับสิ่งใดเนี่ยเมื่อวิจัยรู้ถ้าเห็นว่าจิตนี่ผิดปกติไปกับเพ่งดูว่ามันยึดถืออะไรมันจึงผิดปกติมันต้องมีมันต้องยึดถือเรื่องใดเรื่องหนึง่งเมื่อรู้ว่ามันยึดถือเรื่องนั้นอย่างนี้ก็สอนใจให้กําหนดละเรื่องนั้นไปเสีย โทนละไปเรื่อยๆจนมันละได้เมื่อมันละได้แล้วไอ้ไอ้ความกิริยาอาการของจิตที่เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างว่านั้นมันก็หายไปจิตก็ผ่องใสเป็นปกติคืนตามเดิมนี่นี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะการฝึกตนนะ่ะกันที่ว่าทําความเพียร น, นี่นะอ่เป็นอย่างนั้นเมื่อเราฝึกไป นานเข้าสติสมบทัญญาณมันแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นเออเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นปัญป ญ, ญาญาณขึ้นนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เมื่อมันเกิดปัญญาญาณขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดแล้วอไม่ได้พิจารณาให้ก่วงขวางพิสดารอะไรนั้งหนาวันนี้นะพอแต่เรื่องอะไรมาถึงเข้ามันกาหนด ดูเท่านั้นแล้วก็รู้รอบเลยรู้ชัดสิ่งใดที่ควรละก็กำหนดละได้ทันทีนี่เรียกว่าญาณวิอญาณความรู้อันเกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะแังนการบําเพ็ญทางจิตใจนี่เราต้องมุ่งให้เกิดงญาณความรู้ขึ้นมาให้ได้ถ้าก็ บุคคลไม่มุ่งหวังอย่างว่านี่แล้วก็จะขาดความเพียรเพราะถ้าทำใจให้สงบลงได้นิดหน่อยแล้วก็อยู่แล้วก็ไม่ภาคเพียรพยายามวิตกวิจารณพิจารณาให้รู้จริงเห็นแจ้งในเหตุนั้นๆในผลนั้นๆในความจริงนั้นๆอย่างนี้มันมันก็ไม่มีทางก้าวหน้าไปได้ดีไม่ดีก็ถอยหลังซ้ํา มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจเพิกสติสัมปชัญญะนี้นให้มันแ ก, กล้าขึ้นในตนให้ได้จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการทำงานอะไรอยู่นเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้กายรู้จิตนี้อยู่เสมอเสมอไปอ รู้ความรู้ความเห็นที่ตนได้บําเพ็ญมานั่นน่ะยังกระจ่างอยู่ในจิตใจนี่หรือไม่แต่พูดรวมๆสั้นๆเข้ามาก็ได้แก่ไตรลาานนะักษณญาณน่ะเออตนได้กําหนดรู้กระจ่างแจ้งอยู่ในใจเสมอหรือไม่ปัจจุบันนี้อย่างนี้นะอะก็ต้องมันกรวดกราอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้นะนั่นแหละท่านจึงเรียกว่า เ, เพียนพยายามรักษาญาณความรู้อันนี้มาให้มันเสื่อมนี่เมื่อเมื่อรักษาญาณความรู้นี้ม่ให้มันเสื่อมแล้วเราก็บำเพ็ญเลื่อยๆไปญาณความรู้อันนี้มันแก่กล้าขึ้นมากๆขึ้นไปแล้วมันรวมกําลังกันเป็นหนึ่งลงไปท่านเดียวว่าเป็นมรคสมังฆีนี่คือมรรคอันมีองค์แปดประการน้่นมันรวมลงเป็นหนึ่งคือเป็นญาณความรู้อันเดียว เท่านี้แล้วนั่ น, น, นแหละมันถึงจะละสังโยชน์ทั้งหลายขาดจากกิจตสันดานได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้